ท่านฟังที่เคารพค่ะท่านกาลังฟังรายการสันสนิสนทนานะคะเราได้ทำสมาธิกันมาพอสมควรฟั่งกระสูตรภายแต้การ น, นาของพระมาชาควโรแห่งวัรนาปาพงลำลูกกาคลองสิตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งแล้วนะคะที่เป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำโรงไว้ซึ่งพุทธว จ, จะนะจากพระโอษฐ์นั่นก็คือพระภัยบูร์อภิปุณโณนมันส ก, การค่ะท่ะานคะใช่จเริบาล ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ย้ำกับท่านฟังที่ฟังรายการอีกครั้งหนึ่งว่าท่านเพรบูลตั้งใจเลยนะคะที่จะให้ท่านได้ศึกษาคําสอนของพระาศาสดาชนิดที่ยิ่งกว่าประมาณคือมากกว่ามากกว่าขึ้นอยู่กับตัวท่านด้วยนะคะที่จะทําทให้มันมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าในรายการนี้ท่านก็เลยหยิบยกเอาพุทถประวัติที่พระพุทธองค์ตรัสเล่าเองซึ่งจะมีแง่มุมที่ จะแตกต่างไปบ้างจากที่เราเคยศึกษามาและน่าสนใจมากกับเรื่องของอริยสัจส์่ท่านเปาบุนรค ะ, ะวันนี้พุทธประวัติเห็นท่านบอกว่าวันนี้ต้องฟังให้ได้เลยเป็นยังไงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะงโง่เฮงว่างเถิดถ้าภาษ า, <c oughs> าภาษาไทยเราภาษาจีนนะเาเรียกโง่เฮงโ ง, งโ่เฮงมีแค่หาพุทธเจ้ามี3 2มอย่างน <c oughs> ตามตำรามี32สองอย่าง แล้วอันนี้ก็เป็น พ, พุทธลักษณ ะ, ษณะใช่ไหมคะมคนที่คนที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจาบอกว่าถ้าเป็นคราว่าต์เนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะถ้าเป็นสมณะเนี่ยก็จะได้เป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่คือหมายความว่าเป็นอรันตตาสมาสัมพุทธะนะตรงนี้อัตถกถาเขาบอกอย่างนี้บอกว่าอาัญญาโกทัญะเนี่ยผู้ที่เคยไปร่วม เป็นพรามหนึ่งใน8องนะที่ไปพยากรลักษณะของอโพธิสัตว์ตอนที่เพิ่งเริ่มประสูตินะอันนี้ไม่ใช่เป็นพุทธวจนะนะเพราะตอนนั้นพระเจ้าก็ยังเด็กอยูออ่ก็เลยไม่ได้ตรัสตรงนี้เอาไว้แต่ว่าทักษ า, าเขาอธิบายว่ า, างี้ว่าอัญญาโกรัญญาเนี่ยพยากรว่าเป็นอย่างเดียวนะคื อ, อคือเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่องค์อื่นๆก็จะบอกว่า พระามรูปอื่นๆเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือไม่ก็เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมทีนี้โดยพุทธพจนะเนี่ยยืนยันว่าเป็นสองเนี่ยไม่ได้เป็นหนึ่งเป็น2ก็คือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้พระเจ้าจักรพรรดินี่คุณโยมติวยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่กว่าราชาใดๆในโลกนี้คือทั้งโลกเนี่ยมีราชาองค์เดียวคือเป็นพระเจ้าจักรพรรด นะเราก็มีทรัพย์สมบัติที่เราหาไม่ได้ในปัจจุบันนี้นะ <Okay. S 1> เป็นของที่คู่กับพระองค์อยู่อย่างไรก็ตามลักษณะสาสสองประการนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจอันนี้ทุกคิดว่าทุกท่านคงจะทราบอยู่ไหมลักษณะที่เราอาจจะยังไม่ค่อยทราบกันอันหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีตาสีเขียวสนิทนะหรือสีนิ น, <Okay. S 1> นสีนินก็เป็นลักษณะของเขียวเข้มๆหน่อย <Okay. S 1> อ น, นะแล้วก็ตรงนี้ คนส่วนใหญ่ก็จะทราบดูแค่ลักษณะใช่ไหมแล้วผลมันมาจากอะไรนะคือคือลักษณะทางร่างกายในกุญยมติว๋วไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณไปหาหมอผ่าตัดนะให้ศัลยะแพทย์บาดให้จมูกใช่ไหมบาดให้เป็นรูปนี้หนังใช่ไหมเอายานี้โปะนะเดี๋ยวมันออกมาดีมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าใครอยากมีลักษณะมหาปริศ32ประการคุณไปหาหมอเลยแต่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่อันนี้เกิดจากผลของกรรมไง ซึ่งที่ว่าต้องให้ฟังเนี่ยคือตรงนี้นะอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ที่ยึดมั่นในกุศลนะ้ําบากบั่นในกุศลแล้วก็มั่นคงในกุศลในะกุศลไม่ว่าชนิดไหนกายวาจาใจาการให้ทานการรักษาศีลรักษาอุโบสถปฏิบัติดีต่อมารดาบิดาสมณพราหมณ์อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในสกุลทํามากๆมากๆๆนะไปเป็นเทวดาเป็นเทวดานาหนานะ พอจุติจากเทวดาจึงมีลักษณะอย่างนี้ะนะคือเอท้าเนี่ยเสมอกันยกลงก็เสมอกยกขึ้นก็เสมอฝ่าเท้าถูกต้องพื้นรอมกันนะนี่คือคือผลของการที่พระองค์ทากรรมมาไว้อย่างนี้ผลอย่างนี้มีลักษณะทางร่างกายออกมาคือเท้าเรียบนะเสมอกันพื้นเท้าเสมอกันคนที่มีพื้นเท้าเสมอกันเนี่ยจะยังไง นะคือมันมีผลสามต่อคุณโฉมติว๋วจะเป็นผู้ที่ไม่หวั่นหวั่นต่อค่าศึกทั้งภายในภายนอกนะคือราคาโทสะโมหะคือภายในใช่ไหมภายนอกคือเทวดาเทพมารพรหมหรือใครๆก็ตามที่เป็นศัตรูเนี่ยพระองค์จะไม่หวั่นหวัน่นไม่หวั่นกลัวค่ะเพราะว่าตัวเองมีกุศลธรรมมากอันนี้นะ่าจะสอดคล้องกับเรื่องที่จะเล่าต่อๆไปว่าไปอยู่ป่าเนี่ยนะหูยน่ากลัวมากพระองค์ก็ไม่กลัวอย่างเงี้ยนะ ประการที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ฝ่าเท้าเนี่ยมีลักษณะของเป็นจักนะกงจักมีซี่พันซะี่แล้วก็มีกงและดุมหมายความว่าไอ้งงล้อของจักน ะ, ะ, ะลักษณะนี้คือเท้าเนี่ยเป็นเหมือนคือฝ่าเท้ามีเหมือนกับรอยสักคือบางคนอาจจะดูเป็นปานอย่างเงี้ยน ะ, ะตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่มีเกิดขึ้นไม่ใช่รอยสักนะนะเป็นลักษณะของปานเกิดขึ้นเอง อันเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ได้ลักษณะร่างกายอย่างนี้เนี่ยเขาะว่าเป็นผู้ที่นํามหาชนนะให้รู้จักบรรเทาความทุกข์ของมหาชนในชาติก่อนๆ่ะ น, นะได้จัด ก, การคุ้มครองรักษาโดยธรรมนะได้ถวายทานมีเครื่องบริวารคือรักษาหมู่คณะของพระองค์เนี่ยด้วยธรรมะนะจัด ก, การคุ้มครองป้องกันโดยธรรมนะนับถือทำบูชาธรรมลักษณะนี้จึงมีลักษณะฝ่าเท้า กองจักอยู่ใต้ฝ่าเท้าทำให้ยังไงทําให้ในปัจจุบันนี้จะให้ให้คนที่มีลักษณะอย่างเนี้ยเป็นผู้มีบริวารมากแนะทั้งพิงสุพิสุณีอุบาสกอุปสิกาเทวดาอสูร น, นาคกนธันย่อมเป็นบริวารของผู้ที่มีลักษณะอย่างนี้อีกประการหนึ่งคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเลยจะพูดให้หมดเลยเนาะเรื่องอริยสัจจากพวกเราอาจจะยกไว้ในวันต่อไปเนาะได้ครัท่านครพูดต่อหลายวันก็ได้เพราะรายการเรามีทุกวันอยู่แล้วใช่ใช่ ก็เลยจะทําความเข้าใจในประเด็นต่อไปที่อาจจะ ย, ยังไม่ทราบกันนะก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งก็คือมีขนเนี่ยเส้นขนเนี่ยชอนขนนึ้นแล้วก็มีข้อเท้าอยู่สูงคือหมายความว่าตระกูลเนี่ยอยู่สูงขึ้นมาจากกว่าคนปกติอย่างนี้นะที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีวาจา ประกอบด้วยธรรมเป็นผู้มีวาจาสัมมาวาจาแนะนำชนเป็นอันมากนะเป็นผู้นำความสุขมาแก่ประชาชนทั้งหลายแล้วก็เป็นผู้ที่มีวาจาดีทำให้ในภพปัจจุบันเนี่ยได้มามีลักษณะอย่างนี้คือมีข้อเท้าอยู่สูงแล้วก็มีปลายขนชอนขึ้น อ, อ้ค่ะทำให้ในภพเนี้ยมีลักษณะอย่างนี้จะส่งผลอะไรย่อมเป็นผู้เลิศประเสริฐเยี่ยมสูงกว่าสัตว์ทั้งหลาย นะคือมีก็มีคือถ้าจะไปไหนนี่ก็เป็นผู้นำเขาหมดอ่ะจะไปเข้าโร <Okay. S 1> งเรียนก็เป็นหัวหน้าห้องนะเป็นหัวหน้าชั้นนะจะไปที่ไหนก็สอบได้ที่1ลักษณะนี้นะอีก <Okay. S 1> ประการหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเป็นผู้ที่สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังขาวัตุสี่นะสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นะนะ <Okay. S 1> คือด้วยการให้สิ่งของด้วยการพูดจาแพาร่ร่ด้วยการทําประโยชน์ให้คนอื่นแล้วก็ ประพฤติตนเสมอกันในหน้าที่ของตนนะนะคทำให้เป็นผู้ที่มีมือและเท้าอ่อนนุ่มนะมีลายฝ่ามือดุจตาข่ายคือลายมือเนี่ยโห ย, ยิบยๆบไปหมดเลย่าอาบางคนเราจะเห็นว่าลายมือ เ, เขาเป็นเส้นฝอยๆเต็มไปหมดคุณโยมติ๋วเคเห็นไหมเคยคเคยมีอะนะบางคนเราจะสังเกตลักษณะ น, นี้บงแต่<น>บางคนก็เส้นน้อยเออบางคนก็เส้นน้อยมากาซึ่งคนที่มีลักษณะเป็นลายฝ่ามือดุจตาข่ายเนี่ย ก็จะแสดงว่าเป็นผู้ที่เคยสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังขาวัตถุสนะีแล้วหมายความว่ายัางไงหมายความว่าในภพนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่สงเคราะห์ผู้อื่นได้น ะ, ะเช่นอุบาสกอุบาสิกาเทวดาอาสูรนาคคนทันพวกเนี้ยจะได้รับความสงเคราะห์จากบุคคลประเภทนี้อีกประการหนึ่งที่คิดว่าสำคัญก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเาเรียกว่า ไม่ต้องย่อตัวเนี่ยมือเนี่ยแตะเข่าได้อืมแล้วแขนยาวเลยคะ่ะอ่าก็มีแขนยาวแล้วก็คงมีเขาเนี่ยสั้นขึ้นมาเนื่องจากมีข้อเทา้ามีข้อเท้าหย่าสูงใช่ไหมค่ะ <c oughs> ก็คงเป็นลักษณะนั้นด้วยค่ะเหตุ <c oughs> ที่ทําให้พระองค์เนี่ยไม่ต้องย่อตัวก็รูปเข่าได้ด้วยมือทั้งสองเนี่ยก็เพราะว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้สังเกตนะสมัยก่อนที่เป็นบริษัทเนี่ยรู้จักสังเกตชั้นเชิงของบุคคลอื่นแต่นะว่า คนนี้เนี่ยควรแก่สิ่งใดคนนี้เหมาะแก่สิ่งใดแล้วก็หาสิ่งนั้นมาให้เนะรู้อย่างสม่ำเสม อ, ม อ, สมอรู้ได้เองรู้จากบุคคลนะ่ะอย่างเราเห็นคนเนี้ยรู้ว่าเขาต้องการสิ่งนี้เราก็จัดสิ่งนี้มาให้อย่างี้นะบางคนเราเห็นเจ้านายเราอย่างเงี้ยรู้ว่าเจ้านายเราต้องการสิ่งนี้เราก็นำเสนอสิ่งนี้ให้หรือว่าเห็นลูกน้องเรารู้ว่าลูกน้องขาดสิ่งนี้ล้วก็เอาสิ่งนี้ให้เพื่อนเราญาติเราเนี่ยบางทีเรามีความรู้นี้เกิดขึ้นมาเนาะคุณยมติว ค้นควายที่จะทํากุศลต้อบอกอย่างนี้นะค ะ, ะ, ะแล้วก็คนว่ารู้เขาจะได้เอาไว้หนีค่ะท<ๆ>่านคะก็เรียกว่ารู้ชั้นเชิงของบุคคลอื่นพระพุทธเจ้าใช้คานี้ว่าผู้นี้เป็นผู้พิบุคคลพิเศษควรแก่สิ่งนี้นะบุคคลนี้ควรแก่สิ่งนี้อย่างนี้ด้วยความรู้อย่างนี้เนี่ยทำให้มีลักษณะสองประการนี้อันแรกก็คือว่ายืนตรงไม่ย่อ ก, กายเนี่ยรูปถึงเก่าได้ด้วยมือทั้งสองใช่ไหมและลักษณะที่สองก็คือว่ามีสวดทรงดุจต้นไส นะ oh. คือเป็นตัวตรงขึ้นมา mm hmm. นะลักษณะส ง, ง่างามบ้างนั้นเถ อ, <Okay. S 1> อะลักษณะอย่างนี้จะทำให้เกิดผลอะไรก็ย่อมเป็นผู้มีทรัพย์มากมีพอคทรัพย์มาก mm hmm. นะแล้วทรัพย์ของพรธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินคือเงินทองแต่เป็นอริยะทรัพย์นะคืออริยทรัพย <Okay. S 1> ์คือศีลหิริโอตปะนะแล้วก็จาคะปัญญาทั้งหมดห้าอย่างอีกอย่างหนึ่งคือสุตตะคื อ, อพระสูตรคื อ, อการศึกษา <c oughs> นะมีอริยทรัพย์หกอย่างคือสัทธาศีลหิริโอตปะสุตตะจากะแล้วก็ปัญญาอ <c oughs> ตรงนี้คือทรัพย์ของพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งของพวกนี้ยหาค่าไม่ได้นะคุณหยมติว๋ว <c oughs> อย่างสัทธาอย่างเงี้ยเราเคไปประเมินค่าได้เงี้ยสัทธาของคนนี้มูลค่าแสนหนึ่งสองแสนอย่างเงี้ยนะ <c oughs> มันยากมากก็เป็นทรัพย์ที่หาค่าไม่ได้จริงๆ <c oughs> แล้วก็อีกที่ถ้าจะพูดถึงเรื่องทรัพย์เนี่ย พุทธเจ้าก็ยังพูดถึงลักษณะของทรัพย์อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องศรัทธาศีลสุตตะจักปัญญาเนี่ยคือถ้าถ้ามีแล้วเนี่ยก็ไม่เสื่อมด้วยคือบางคนมีทรัพย์บางคนถูกลอตเตอรี่อย่างเงี้ยใช่ไหมอีก30มสิวันเงินหมดเลยแต่พระพุทธเจ้านี่มีทรัพย์คืออริยะทรัพย์พวกนี้แล้วก็ไม่เสื่อมด้วย<ม>ความวความที่ไม่เสื่อมเนี่ยเป็นผลของการที่มีลักษณะประการนี้ก็คือว่ามีกายเบื้องหน้าดุจสีห์ นะคืออกภายไหลพึงว่างะแล้วก็มีหลังเต็มนะคือไม่มีร่องหลังแล้วก็มีคอกล่มเกลี้ยงนะสามลักษณะนี้จะทำให้เป็นผู้ที่ไม่เสื่อมจากทรัพย์ที่มีถามว่าได้สามลักษณะนี้ได้มาได้ยังไงนะก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่ใคร้ต่อประโยชน์นะหมายความว่ารู้ว่าใครควรจะต้องการต่อสิ่งไหนเกื้อกูลต่อบุคคลอื่น ยินดีในการที่จะทำความดีนะประพฤติประโยชน์ต่อบุคคลอื่นนะต้องการที่จะให้คนอื่นเนี่ยมีทรัพย์มีธรรมะมีปัญญามีข้าวมีทรัพย์มีเลือกสวนไรนาด้วยสิ่งทั้งต่างเหล่านีนะ้ทำให้เป็นผู้ที่มีลักษณ ะ, ะดุดสีหะคือหลังเต็มแล้วก็คอกลมด้วยอย่างนี้ ว่าเอาคร่าวๆเไว้ลักษณะนี้เรื่องของลักษณะหมาบุตรสามสิสองประการค่ะคือถ้าท่านจะพูดต่อก็พรุ่งนี้ก็ได้นะคะจ้ะจคือต้องต้องให้ผู้ฟังท่านผู้ฟังเข้าใจตรงนี้ว่า เ, เรื่องของโงเ่เฮงก็ตามเรื่องของลักษณะสามสิบสองประการอย่างเงี้ยนะมันเป็นผลคุณหยมติ๋วมันเป็นผลมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราจะต้องไปหาหมอผ่าตัดหรือว่าไปหาครีมมาทาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณสร้างเอา นายผรูชจ่าบอกว่าเป็นกษัตรย์ก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมนะเป็นนักรบก็เพราะกรรมเป็นขอทานก็เพราะกรรมอย่างเงี้ยเพราะเราก็ทํากรรมดีแค่นั้นเองใช่ไหมท่านพระบูรณ์ะคะทีนี้ถ้าท่านจะทิ้งประเด็นไว้แบบนี้ดิฉันต้องกล่าวเรียนท่านเลยนะคะว่าคนสมัยใหม่เข้าใจร้อนคะ่ะคือเหมือนกับว่าถ้าท่านพูดว่าเพราะกรรมเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำชาตินี้จะไปปรากฏชาติไหนก็ไม่รู้ไปหาหมอดีกว่าแล้วก็ไปหาแล้วเนี่ย เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผลมันจะออกมาอ่าได้อย่างใจต้องการหรือเปล่านั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคงต้องพูดต่อวันอื่นมั้งคะจะก็ได้เหมือนกันนะคะคือวันนี้เวลาหมดแล้วทีนี้ลักษณะมหาบุรุษท่านพิารณาเห็นว่าสมควรที่จะแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบอีกก็ใช้เวลาวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วกันนะค ะ, ะสําหรับวันนี้ต้องในมรสการขอบพระคุณพระอาจารย์เพบุตรอภิปุณโญจากวัตปารณไฮโซอุดรธานีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ ทำความรู้ให้กับพวกเราเกี่ยวกับพุทธประวัติถ่ายทอดมาจากพระโอษของพระพุทธองค์นะคะวันนี้นมรส ก, การขอบพระคุณค่ ะ, ะ, ะอาจารย์งพานทุันที่ครรอคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะการที่เราจะทําความรู้จักกับพระศาสดาเพราะว่าการที่เราจะศรัทธาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเราก็อยากรู้เป็นธรรมดาแหละนะคะว่ารายละเอียด เกี่ยวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วนี่ก็เป็นถึงกษัตริศร a d e ของเราพิเศษสุดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาฟังจากที่นี่รายการสัมม น, น, นาสนทนาโดยที่สัมม น, นาคงดำเนินรายการค่ะท่านคะและส่งคําถามอย่างได้นะคะท่านเพียบุญก็พร้อมที่จะตอบให้ที่เบลธรรม .com/ 1 0 6หรือที่0 2 2ย์สองสและเบอร์เดียวกันนี้ท่านสามารถขอหนังสือพุททวจนะได้วันละสามท่านนะคะท่านละหนึ่งเล่ม นนพนินันธนการจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์วัฒนาป่าพงค่ะวันนี้เราคงจะลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พูดทวาสวัสดีค่ะ